ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเสนอตอนที่8บวชได้หนึ่งพันษาต้องเทศโดนอ่ำและเขากลัวเราจะเป็นบ้าพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัว ได้เล่าประวัติของท่านในตอนนี้เอาไว้ว่าอิจิมโลกอินธรรมผู้ที่วันนิพพานสูงก็เท่ากับลบล้างบุญบาปว่าไม่มีนั้นและคือคนมืดบอดทางใจอย่างสนิทประเภทหมดหวังความจริงบุญบาปในโกสวรรค์ น, นิพพานเป็นของมีอยู่ตลอดอนันตกาลสมัยที่เราบวชพระใหม่ๆได้พรรษาเดียวยังไม่เรียนนักธรรมตรี เรียแต่สวดมนต์สวดปาติโมกข์จบหมดแล้ว พ, พ่อพรรษาแล้วฤดูเขาเอาเข้าวขึ้นยุ้งขึ้นช้างภาษาอีสานเขาเรียกว่าฟาดข้าวฟาดข้าวเสร็จแล้วเขาก็นิมนต์พระไปทําบุญที่กองประทายข้าเปลือกเขาไปทําบุญแล้วเขาจึงจะขนขึ้นบ้านขึ้นเรือนเขาจึงมานิมนต์ท่านพระครูวัดโยธา น, นิมิตรท่านก็ให้เราเป็นหัวหน้าเราเพิ่งจะบวชได้ราษาเดียวมันไม่มีพระจะทอย่างไร ไปฉลองสัดท้ายเขาหน่อยสิท่านพระครูท่านบอกเราว่าอย่างนั้นเราทีตกลงไปเป็นหัวหน้าเราก็ได้หนังสือเทศอันหนึ่งประมาณหนึ่งกันจบพอดีปิดย่ามไปหากเวลาจาเป็นก็ต้องเอานี้ออกเทศเราก็ไปไปก็ไปนอนค้างคืนที่บ้านหน้องแวงตะวันออกบ้านดงเข่งพอไปตอนกลางคืนสวดมนต์เรียบร้อยแล้วตอนเช้าฉันจังหันเสร็จเขานิมนต์ให้ขึ้นเทธ เทศตอนแรกก็ได้นะสิเพราะมันมีหนังสือเล่มหนึ่งบางๆกันเดียวความว่ากิเตสังกิริเตทุกขติตาตีกลางขาเมื่อจิตใจเศร้าหมองทุกขติเป็นอันหวังได้เทศจบกันนี้แล้วต่อมาพวกหลังก็แหกกันมาอีกมาขอฟังเทศไอ้ทีนี้ตัวศรัทธาเจ้าภาพก็ว่าท่านเทศให้ฟังก็ได้จะยากอะไรเขาก็ไม่ยากนะสิไอเรามันจะตายเอา เงือแตกนี่หนาวหนาวนะโถเราจะจ่ายค่าเท่านั้นเรายังไม่ลืมเท่านั้นนะเท่าที่ว่ายากอีหยังเทศโถยากบ่อยากโอ้คนเรามันจำตรอกจริงๆมันเทศได้เด้อสิว่าเด้อมันสิตายมันเทศได้นี่เงือไหลเอาถังมาใส่สักสิบถังนี้เต็มหมดเลยแหละพอเทศเสร็จก็ออกมาเพื่อนพระมาด้วยกันมาพูดหยอกล้อ ว, ว่าโถ เวลาเทศก็เทศดีนะอย่าตายหรืออยากตายอย่ามายุ่งเดอ้ออย่ามาล้อเดอ้อเราว่าอย่างนั้นน้วยเจ้าประเทศดีอิลีตัวพะท่านก็ย้ำว่าอย่างนั้นเราก็ว่าถ้าไม่อยากตายอย่ามา้อเรียนเราโมโหโนี่นาเหนื่อยก็ไหลไม่หยุดเข้าแจงไม่ล่ะภาคอีสานทางนี้เขาเรียกข้าวโปงฉันเพนข้าวโปงแผ่นเดียวก็ฉันไม่หมดมันจะตายมันแค็งไมยถึงมันจุกในหัวอกหัวใจกินไม่ลง โ น, นพอไปถึงวัดจึงค้นหาคำทีเอามาท่องกันเทศเลยคนหนังสือเทศท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณุปรม า, ารย์จันสิริจันโดค้นเอากันเทศท่านที่เราชอบใจท่องขึ้นแต่คล่องปากยิ่งกว่าท่องปาติโมกข์ซะอีกเลยไม่ถูกนม่บนเทศอีกเลย เขียดแค้นยังไม่หายเวลานี้เดินผ่านเข้าไปในบ้านน้องแวงดูเป็ดดูไก่ดูหมูดูหมาผู้คนเราจะเอาให้แหลกหมดเลยเราเขียดแค้นมันโมโหจนกระทั่งป่านนี้ยังไม่หายนะนี่แหละมันขบขันเรื่องคนอกจะแตกเทศไม่ได้แต่มันก็เทศไปได้มันก็แปลกอยู่เราไม่เคยมีจนตรอกจนมุมก็มีครั้งเดียวนี้นอกจากนั้นไม่เคยมีปรากฏในชีวิตของพระเรามีครั้งนี้เป็นครั้งแรก ที่เราฝังลึกมากอันนี้ก็ไม่ลืมจากนั้นมาแล้วก็ไม่มีอะไรเรื่อยๆธรรมดาไม่เห็นมีอะไรขัดข้องการเทศนาว่าการการเรียนหนังสืออยู่มันก็มีการเทศก็เทศเรื่อยธรรมดาแต่เทศทางด้านปริยัดประยัดไปธรรมดาพอเพราะออกปฏิบัติแล้วไม่เทศเลยแต่มันก็หากมีบ้างในบางครั้งไปพักอยู่บ้านเขาก็ามีงานในหมู่บ้านเขาก็นมนเราไปเทศ ทีนี้ออกปฏิบัติมันเป็นมหาแล้วนี่เราบอกโอ๊ยเทศไม่เป็นเทศไม่ได้โอ้ยท่านอาจารย์อย่ามาพูดเลยว่าเทศไม่เป็นไม่มีใครเชื่อท่านเป็นมหาต้องเทศได้เขามัดคอเราเอาตรงนี้มหาก็มัดคอนะลงเป็นมหาแล้วว่าเทศไม่เป็นนี้ไม่มีใครเชื่อแหละเขาก็มัดคอไปเทศจนได้มันก็มีเป็นบางครั้งบางคราว พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวยานสัมปะโนในเล่าชีวประวัติของท่านตอนหนึ่งไว้อีกว่าพ่อบวชใหม่ก็โดนอัมพอสุบรีเราก็ระลึกถึงพระกองที่วัดโยธานิมิตท่านเกิดปีเดียวกันกันกบเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เป็นครวาดท่านอยู่บ้านโนนทานหนองตูมนิสัยท่านชอบตลกเราก็ยังไม่ลืมนะท่านบวชก่อนเราพรรษาหนึ่งอายุเท่ากันคือท่านบวชเป็นเนน พออายุถึงพระท่านก็บวชพระเลยเราบวชตอนอายุ20ปีกับอีก9ก้าเดือนทีนี้เวลาบวชแล้วไปคยกันที่กุฏิของท่านท่านเป็นคนนิสัยชอบพูดตลกเหมือนจะหัวเราะหากไม่หัวเราะมันทําให้คนอื่นหัวเราะจะตายเราไปก็ไม่เคยคิดเคยอ่านเพราะเคยสูบรีอยู่บ้างแล้วเห็นหมูสูบก็เลยสูบกับเขาจะ บ, บรีปักมาจุดสูบพระกองท่านเห็นอย่างนั้นท่านก็โวยวายทันทีว่า ไอพวกพระบวชใหม่บวชมามันไม่มีทรรไม่มีพระวิ น, นัยบุรีนี้ได้พินทุอธิษฐานแล้วหรื อ, อยังก็ไม่รู้สุ่มสี่สุ่มห้าโยะบัดพากินหัวกันทันว่าแล้วท่านก็เฉยเลยนะใครไม่เคยคิดว่าบุรีจะต้องพินทุอธิษฐานเหมือนผ้าเราก็สู่ไปเห็นหมูเพื่อนสู่ก็ไม่เห็นองค์ไหนพินทุอธิษฐานแล้วมาว่าให้เราซึ่งเป็นเพื่อนกันท่านพูดเราก็เชื่อละสิ คนหนึ่งพูดหน้าตาขึงขังเหมือนเราผิดจริงๆนี่นะมันไม่ใช่ธรรมดาหน้าเคร่งขึนนะนี่แหละเวลาจะตลกนะอ้าวบุรียังต้องเพิณทูอธิฐานด้วยหรืออุย้ยท่านนี่ยังไม่รู้หรือบวชมาขนาดนี้แล้วยังไม่รู้พระวินัยอีกหรือบวชมาขนาดนี้แล้วเราฟังแล้วก็ยิ่งร้อนใจไปใหญ่เลยนึกว่าเราผิดพระวินัยเสีแล้วและบุรีนี่มันเพิณทูอธิฐานว่ายังไง เราถามเพราะไม่รู้นี่นะเพิ่งจะมาทราบเดี๋ยวนี้โอ้ยท่านบวชมาขนาดนี้ยังไม่รู้จักพินทุอธิษฐานตายตายตายนี่เป็นอบัติมาเท่าไหร่แล้วพระใหม่นี่นะยังขู่เราอีกด้วยนะไม่มียิ้มเลยยังขู่ซ้ำอีกนี่บวชมานานเท่าไหร่มันเป็นอบัติมาเท่าไหร่แล้วแล้วพินทุอธิษฐานว่ายังไรล่ะท่านบวเวลาบอกคำอธิษฐานนี่ที่มันตลกขบขันเฮฮานะ พอพครูเราเต็มเหนียวแล้วคำเป็นทุอธิฐานเท่านี้ก็ไม่ได้มันจะไปยากอะไรมันไม่ยืดยาวอะไรเลยยังไม่ได้อีกเหรอคำสั้นๆเท่านี้ก็ว่าไม่ได้ท่านว่าอย่างนั้นนะไม่ยากแล้วมันว่ายัางไงละท่านอิมังควนถมดังอธิษฐานมควนถมดังก็คือควนถมจมูกเข้าใจไม่ล่ะท่านว่าแล้วก็แสดงหน้าตาเฉยด้วยนะนิ่งนิ่งมันหน้าโมโหคนหนึ่งจะตายร้อนเป็นไฟ เราโมโหเลยไม่ลืมจนกระทั่งบัดนี้เพราะคำที่ฐานเหล่านี้มันจะมีมาจากที่ไหนก็ท่านว่าท่านตั้งขึ้นหลอกเราอัมเราซึ่งเป็นพระใหม่ให้ตกใจเล่นๆ เ, เท่านั้นหลวงตามหาบุรียัสัมปันโนจึงได้เล่าชีวประวัติของท่านในขณะที่เรียนหนังสือ มีคนหลายคนกลัวท่านจะเป็นบ้าว่าเริ่มตั้งแต่บวชเราก็ตั้ง อ, อกตั้งใจเรียนหนังสือจนเขาไปฟ้องท่านพระครูจเจ้าอาวาสวัดเกียวทานิมิตรคือช่างเขาไปทำงานทำหน้าตาญกุติชั้นสองเราพักอยู่ชั้นบนเขาไม่เคยเห็นเวลาเรานอนเราก็ไม่ทราบว่าเขาสังเกตเราเพราะเราไม่ได้สังเกตอะไรใครนอกจากเรียนหนังสือเท่านั้นสุดท้ายเขาก็ไปฟ้องท่านพระครูว่า ท่านพระครูครับเขาให้คุณบัวท่านพักผ่อนซะบ้างดูท่านไม่มีเวลาพักผ่อนเอาเลยเท่าที่ผมสังเกตไม่ว่ากลางวี่กลางวันท่านไม่สนใจกับใครๆออกจากห้องมาแล้วถือหนังสือจ่อมาอยู่อย่างนั้นนอกนั้นเข้าห้องเข้าห้องไม่เคยสนใจกับใครมาเป็นประจำกลางคืนท่านไม่ทราบว่านอนเวลาไหนมองเข้าไปช่องหน้าต่างเห็นแต่ไฟอยู่อย่างนั้นสักเดี๋ยวโผล่ออกมาแล้วเข้าไป ท่านนอนเวลาไหนนี่ผมกลัวท่านจะเป็นบ้าเอาท่านพระครูท่านก็แจ้ให้ดีนะโอ้ยโยมคุณบัวนอนห น, นุนหมอนหรือหนุนมะพร้าวเรานี่นอนหนุนมะพร้าวสมัยเรียนสนเรียนมูลการเรียนสมัยของพระในสมัยโบราณเข้าเรียนสนเรียนมูลที่จังหวัดอุบลเราหนุนมะพร้าวหอมมะพร้าวกลิ้งตกเท่านั้นเราก็ลุกขึ้น ท, ทันทีอันนี้คุณบัวนอนหนุนหมอน หรือว่าหนุนมะพราะะ้าวล่ะท่านนอนหนุนหมอนโยมคนนั้นเขาตอบท่านพระครูจึงว่าเออถ้าอย่างนั้นไม่ต้องเป็นห่วงท่านถ้าไปบอกท่านท่านจะเสียกําลังใจอันนี้คนอื่นมาเล่าให้เราฟังท่านพระครูท่านไม่พูดหรอกท่านเฉยเลย